อนาปฏิวานพิกษตต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ288 1. ภิกษนูตนั่งในที่ที่มีบุรุษรูเดียงสาคนหนึ่งอยู่เป็นเพื่อนสองพิกษุยืนไม่ได้นั่ง 3. ภพิสูไม่ได้มุ่งให้เป็นที่รับสภพิสูนั่งคิดเรื่องอื่น 5. ภพิสูวิกลจริต 6. ภพิสูตต้นบัญญัติระหโิติดชนะสิกขาบทที่4จบ